เไปใครทำพี่ชํำใจตาพี่ใส่ๆเหมือนมีน้ำตาตอนไปเหมือนไก่บินทิ้งเรือนทิ้งทินที่เกิดมาคำเตือนเพื่อนท้องหน้าที่เองยังว่าเขาขี้ กันน้อง ลังหันมาโดนย่ำชอกช้ำจาบันพี่จึงได้หันคืนมาตอนดีนี้หน้ากันครั้นใจโดนหันหันกลับมา